จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัท อ, อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังเทศฟังธรรมวันรักษากายวาจาใจ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 และพระอริยสงสารกทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีเดียวที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สว์โลกอย่างพวกเราด้วยการกำหนดหรือด้วยการทรงบัญญัติวันพระให้สว์โลกได้ปล่อยวางภารกิจ การงานการแสวงหาความสุขความเจริญทางโลกเพื่อมาแสวงหาความสุขความเจริญทางศีลธรรมต่อไปถ้าไ ม, ม่ได้ทรงกำหนดวันพระไว้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนอย่างแท้จริง เพราะการแสวงหาความสุขความเจริญทางโลกนี้จะคอยดึงมาไว้ไม่ให้สามารถเปลี่เวลาออกมาได้เลยเพราะความโลภความอยากที่อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองจึงทำให้ไม่สามารถหยุดแสวงหาสิ่งต่างๆได้ ถึงแม้ว่าจะได้มามากน้อยเพียงรอยก็ตามแต่ก็ยังไม่รู้จักคาว่าพอเพระพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงกำหนดบัญญัติวันธรรมะสวรรควันพระให้สาธุชนพุทธบรยษัทได้ปล่อยประให้ปล่อยวางการสแสวงหาราบยศเสรญสุขแล้วมาหาสแสวงหาความสงบความสุขความเจริญทางจิตใจ นี่คือความเป็นมาของวันธรรมสวรนระวันพระที่ได้มีการปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบนันนี้แต่เนื่องจากสมัยปัจจุบนันนี้การหยุดทำงานของสาธารชนนั้นเปลี่ยนไปเพราะต้องตามกระแสของทางโลกที่หยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์กัน วันพระจึงเป็นวันที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทําบุญมารักษาศีลกันถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันที่ตรงกันจึงมีโอกาสที่ได้มาประกอบกิจของวันพระกันได้ดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้สาธุชนจึงต้องใช้ปัญญา และปรับวันพระของตนให้เข้ากับวันทำงานวันหยุดทำงานของตนสมมติว่าถ้าหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ขอให้ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระมาทำบุญมารักษาศีลมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดได้ไม่จำเป็นจะต้องรอวันพระที่ตรงกับวันขึ้นแรง 8ค่ำ14ค่ำหรือ15าค่ำซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่าการชำระกายวาจาใจการทำบุญการรักษาศีลนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวันพระเราสามารถทำได้ทุกๆุ ก, กวันที่วัดนี้ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆุกวันญาติโยมสามารถมาทำบุญตักบาตรได้ สามารถมารักษาศีลปฏิบัติธรรมที่วัดได้สามารถศึกษาพ่อธรรมคำสอนได้จากหนังสือหรือแผ่นซีดีที่แจะให้ญาติโยมนำเอาไปอ่านเอาไปฟังได้ดังนั้นเพียงแต่ว่าเราสิ่งที่เราจำเป็นหรือสิ่งที่เราไม่มีก็คือเวลานั่นเองเราต้องกำหนดเวลาต้องกำหนดวันพระขึ้นมาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวัน เพื่อที่จะได้ชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดเพราะกายวาจาใจของเราก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ที่หลังจากสวมใส่ไปแล้วก็จะเกิดสิ่งสกปรกต่างๆติดทำให้ไม่น่าใสเพราะมีกลิ่นไม่ดีและมีความสกปรกจากฝุ่นจากสิ่งต่างๆเราจึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ทุกๆวัน แล้วก็ต้องนำเอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเอาไปซักเอาไปล้างเอาไปทำความสะอาดถึงจะเอากลับเข้ามาใส่ได้ใหม่ถึงจะใส่ได้อย่างมีความสุดกายวาจาใจของเราก็เช่นเดียวกันตลอดระยะเวลา6กวันที่ผ่านมาก็ต้องเปื้อนด้วยการกระทาที่ไม่ถูกศีลถูกธรรมเช่นอาจจะพูดปดบ้างอาจจะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างอาจจะลักทรัพย์บ้างด้วยวิธีการต่างๆโดยที่ไม่มีเจตนาก็ดีหรือมีเจตนาก็ดีแล้วก็มีความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆภายในใจเมื่อไม่ได้ก็เกิดเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ถ้าสะสมไม่มากก็จะสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจ จะให้จิตใจนั้นไม่มีความสุขถึงแม้จะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามแทนที่สิ่งที่ได้มานั้นจะให้ความสุขแต่ก็ไม่สามารถให้ความสุขได้เพราะเนื่องจากกายวาจาใจไม่สะอาดนั่นเองเราจึงจาเป็นที่จะต้องชาระกายวาจาใจของเราอย่างสม่าเสมอเหมือนกับเราต้องอาบน้ำทุก ทุกวันวันละครั้งสองครั้งเพื่อชำระสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ถูกขับออกมาจากร่างกายไม่เช่นนั้นแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายและก็จะไม่ไม่สามารถอยู่ใกล้ผู้อื่นได้ฉันใดผู้ที่มีกายวาจาใจที่ไม่สะอาดก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะ เาแล้วจะต้องเกิดความเสียหายนั่นเองคนที่เป็นคนที่ไม่ใจบุญไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่ความโลภโมโทสันน้อยู่กับใครก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเสมอดัองนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นบุคคลที่มีแต่ ความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องหมั่นรักษากายวาจาใจชาระกายวาจาใจของเราอย่างสม่ำเสมอ น, น, นอกจากวันพระแล้วเราก็ควรชําระในวันอื่นด้วยเพราะเราไม่จาเป็นที่จะต้องมาที่วัดที่จะต้องชําระกายวาจาใจถึงแม้เราจะไม่ได้ทําบุญตักบาตแต่อย่างน้อยเราก็ยังรักษาศีลได้อย่างน้อยเราก็ ลดละความโลภความโกรธได้ถ้าเราคอยสอนใจเราไม่ให้ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆมากจนเกินไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลาเราตะจากโลกนี้ไปเราก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งให้คนอื่นไปกลายเป็นสมบัติของคนอื่นไป แต่ถ้าเราเอาเข้าวของต่างๆมาแจากจ่ายให้แก่ผู้อื่นเราก็จะได้แลกเปลี่ยนมาเป็นบุญบุญนี้เอาไปกับใจเราได้บุญคือความสุขใจความอิ่มใจความสะอาดของใจนี้ก็จะไปกับเราจะเป็นบารมีที่จะคอยดูแลให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อาตคัดขัดสนกับสิ่งต่างๆทั้งหลาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำทานกันอย่างสม่ำเสมอทานนี้ก็มีอยู่สลักษณะด้วยกันสามลักษณะด้วยกันคือถ้าให้ข้าวของต่างๆอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีวิชาความรู้เราสอนผู้อื่นโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองเรียกค่าตอบแทนก็เป็นวิทยาทานให้วิชาความรู้ แล้วถ้าเรามีธรรมะเราสอนผู้อื่นก็จะเรียกว่าเป็นธรรมทานนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้กันอย่างสม่ำเสมอแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์ควรจะให้วัตถุก็ให้ไปถ้าเหตุการณ์ควรจะให้วิทยาทานก็ให้ไปถ้ามีเหตุการณ์ที่ควรจะให้ธรรมะก็ให้ไป ธรรมะนี้ก็ให้อย่างได้สองอย่างธรรมะที่เรารู้เราเข้าใจในใจของเราเช่นถ้าเรารู้ว่าทาบุญแล้วดีอย่างไรรักษาศีลแล้วดีอย่างไรไม่โรคไม่โกรธแล้วดีอย่างไรเราก็บอกให้คนอื่นเขารู้ถ้าเขาสนใจถ้าเขาถามเราถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปเสียเวลาเพราะเรื่องของธรรมะนี้ ต้องเป็นความสมัครใจถึงจะได้ประโยชน์คนที่ไม่อยากจะฟังเรื่องและการรักษาสีเนื่องทําบุญพูดไปก็เสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆเพราะเขาไม่สนใจแต่ถ้าคนสนใจเราพูดเขาก็จะยินดีฟังและยินดีที่จะนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปดังนั้นขอให้เราหมั่นทําทานอย่างสม่ําเสมอทําได้กับทุก บุคคลไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชเป็นพระเป็นสามเณรเท่านั้นทำบุญกับคาววะญาติโยมก็ได้บุญทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันเพราะคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากการเสียสละที่เกิดจากการให้โดยไม่เรียกผลตอบแทนจากผู้รับต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เรียกร้องผลตอบแทนแม้แต่คาว่าขอบคุณก็ไม่เรียกร้องอยากจะให้เพื่อให้ใจเรานั้นมีความสุขมีความอิ่มใจให้กับใครก็ได้ความสุขความอิ่มใจเหมือนกันแต่การที่เราต้องเลือกให้กับบุคคลนั้นก็เพราะเราจะได้บุญอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าที่เราจะได้รับตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วย ถ้าเราทำบุญกับพระเราก็จะได้ธรรมะแต่ถ้าเราทำบุญกับเดรัจฉานเราจะไม่ได้ธรรมะนอกจากได้ได้จากการกรดิกหางของเขาหรือกาของการเห่าหอนของเขาถ้าให้กับคารวะญาติโยมก็อาจจะได้คำขอบคุณขอบใจแต่ถ้าให้กับพระก็จะได้ยินได้ฟังธรรมะถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะ แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับประโยชน์เป็นบุญที่สูงกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานเช่นถ้าเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมะสอนเราเราอาจก็เราอาจจะบรรลุเป็นพระ อ, อริยเจ้าขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเลยหรือไม่เช่นนั้นก็เราอาจจะนำเอาไปปฏิบัติ และบรรลุเป็นพระ อ, อริยเจ้าในเวลาไม่ยาวนานนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการเลือกทาบุญกับบุคคลถ้าทาบุญกับคนที่ฉลาดเราก็จะได้ความรู้ความฉลาดจากเขาถ้าเราทาบุญกับคนโง่เราก็จะได้รับความโง่าจากเขาเช่นถ้าเราทาบุญกับคนที่ชอบเดิมสุรายาเมาเล่นการพนัน เขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเล่นการพนันเพราะเขาไม่รู้เรื่องอย่างอื่นเขารู้แต่เรื่องดื่มสุราเล่นการพนันดังนั้นการทำบุญเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราทำกับใครแต่ถ้าในกรณีเป็นเรื่องของมนุษยธรรมคือในเรื่องของการของความอดอยากขาดแคลนเราก็ต้องทำกับทุกๆคน คนไหนก็ตาถ้าเขาเดือดร้อนโอดอยากขาดแคลนถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนดีหรือว่าเป็นพระแต่อย่างน้อยเขาก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างนี้เราก็ช่วยเหลือได้แต่เราจะได้รับบุญเพียงส่วนเดียวคือบุญที่เกิดจากการให้การช่วยเหลือแต่เราจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาคือธรรมะนั่นเอง แต่เราก็ควรจะให้เช่นเดียวกันถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากลําบ น, นเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจเวลาไปจับโจรผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันโจรผู้ร้ายถูกถูกยิงถูกได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังจะต้องส่งเขาไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาให้เขาหายจากการบาดเจ็บก่อนที่จะเอาไปดําเนินคดีต่อไป ดังนั้นการให้ก็มีการช่วยเหลือก็มีหลายลักษณะด้วยกันช่วยเหลือด้วยหลักของมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่จำเป็นว่าเป็นใครถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาไปหรือช่วยเหลือเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งคือมีผู้ที่เขามีพระคุณกับเรา เรามีอะไรพอที่จะให้เขาหรือช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะทดแทนบุญคุณเช่นพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยให้ความอุปถัมภ์ดูแลเรามาถ้าท่านเกิดมีอาการชราภาพไม่สามารถที่จะดูแลตัวท่านเองได้ <c oughs> ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบแทนบุญคุณ ด้วยการช่วยเหลือช่วยการดูแลท่าน <c oughs> สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นทานทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจใจของเราจะสูงขึ้นจะสะอาดขึ้นจะเป็นที่รักและเคารพของผู้อื่นคนที่ทำทานต่างกับคนที่ไม่ทำทานคนที่ไม่ทำทานนี้จะไม่ค่อยมีใครนับนับถือเหมือนกับคนที่ทำทาน ดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นขอให้เราพัฒนาด้วยการทำบุญให้ทานอย่าไปพัฒนาด้วยการแสวงหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบมีเขตเพราะไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้นแต่จะทำให้เราต่ำลงเพราะจิตใจของเราจะมีความโลภมากขึ้นจะมีความ เศร้าหมองมากขึ้นแทนที่ล่างจิตใจของเราจะมีความสะอาดมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกลับจะมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมากขึ้นจากความโลภความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นการสแสวงหาเงินทองของเราต้องหาด้วยความจำเป็นเท่านั้นเช่นเรามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลอัตภาพร่างกายของเราเราจาเป็นต้องมีปัจจัยสี่ คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็อาหารเราก็หาเท่าที่จำเป็นพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้ควรจะเอาเวลามาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราดีกว่าด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรม อย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ถ้าญาติโยมรู้จักประมาณในการสแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองญาติโยมจะมีเวลามาวัดมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีรู้จักประมาณในเรื่องการสแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่มีเวลามาวัดได้เลยจะไม่มีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จของตนได้เลย มีแต่จะทำให้ชีวิตจิตใจของตนนั้นต่ำลงไปเรื่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของความโลภของความอยากจะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้จะทำให้เราไม่มีเวลามาทำบุญให้ทางมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมได้เลยดังนั้นขอให้เราใช้สติใช้ปัญญา ในเรื่องของการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองขอให้เราหาพอเพื่อความพอเพียงอย่างที่ในหลวงทรงสอนพวกเราให้เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือหาเท่าที่เรามีความจำเป็นจะต้องมีถ้าเรามีพอแล้วเราก็ควรที่จะมาทำความดีกันดีกว่ามาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แล้วก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองเพราะการทำประโยชน์การช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นการทำบุญบุญนี้แลจะทำให้จิตใจของเราสงบมีความสุขไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีการทำบุญจะวุ่นวายอยู่เสมอกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเวลาเกิด อะไรขึ้นมาก็จะเกิดความมิตกว่าวุ่นขุนมัวกลัวจะไม่ได้เงินเพิ่มกลัวจะเสียเงินจะคิดอย่างนั้นกันแต่คนที่มีเงินพอเพียงแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ไม่เดือดร้อนจะเสียไปบ้างก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองมากมายเหมือนกับคนที่มีความโลภความอยาก นั่นเองนี่คือเรื่องของชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ที่ถ้าเราไม่ได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะถูกอำนาจของความหลงหลอกให้เราไปสร้างความเสื่อมให้แก่ชีวิตจิตใจของเราด้วยการหลงคิดว่าถ้าเราจเจริญในลาบยศสระเสริญเจริญในในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราจ ะ, จะเจริญ แต่ความจริงความเจริญเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นความเจริญเพราะมันเป็นความเจริญของวัตถุเข้าของมันไม่ได้เป็นความเจริญของตัวเราตัวเราก็คือใจของเราใจของเราไม่เจริญใจของเรากลับเสือ่อมเพราะเราต้องทำบาปทากรรมเราต้องสะสมความโลภโมโทสันให้มีเพิ่มมากขึ้นไป ทำให้ใจของเรามีความเศร้าหมองมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเนื่องจากที่เราหลงไปสแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงว่าความเจริญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความเจริญที่แท้จริงต้องอยู่ที่ใจของเราใจของเราต้องพัฒนาจากเป็นจากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทพ ให้เป็นพรมให้เป็นพร ะ, พระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่คือขั้นนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนาแบบนี้เราดูพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างในแต่ละภพแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรงบำพุนบำเพ็ญบุญบารมีสร้างแต่บุญสร้างแต่บารมี ไม่เคยคิดจะสร้างลาบยศเสรเสริญสุดมีลาบยศเสรเสริญสุขมากน้อยเพียงไรก็แบ่งให้แก่ผู้อื่นแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นไปมาตลอดจนครั้งสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธะ <c oughs> ก็มีลาบยศเสรเสริญสุขอย่างมากมายแต่ก็ยังทรงสล ะ, ะเสด็จออกออกผนวชออกบวชอยู่แบบสมณะนักบวช ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีปราสาทราชวังอยู่ต้องอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำแต่ทรงพัฒนาจิตใจด้วยการรักษาสิงด้วยการปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุของความเศร้าหมองเหตุของความเสื่อมทั้งหลายจนได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กลายเป็นพุทธังสรารนังกัชามิเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละคือการพัฒนาชีวิตจิตใจที่แท้จริงต้องพัฒนาด้วยศีลด้วยธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็มได้ทรงปฏิบัติมาอย่าพัฒนาลาบยศสรลรสรินสุขเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราของเราก็คือใจของเรา และสิ่งที่จะทำให้ตัวเราหรือใจของเรานี้จเจริญก้าวหน้าก็คือการบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง <c oughs> นี่แหละคือความพัฒนาที่แท้จริงอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังมาพัฒนากันในวันนี้วันนี้เราก็ได้มาทําบุญให้ทานกันได้มารักษาศีกันได้มาฟังเทศฟังธรรม ได้มาปฏิบัติธรรมถ้าอยู่วัดก็จะได้ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมทําจิตใจให้สงบและทําจิตใจให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากความโลภความโกรธหลงแล้วก็จะได้พัฒนาถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต หรือขัน้นหรือั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพาาระอรหันต์นี้ต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ชาระใจของพระองค์จนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยตัวเองไม่มีใครสอนสอนตัวเองจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพาาระอรหานตะสาวกนี้ชำระใจของตนจนสะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้นสอนเรื่องการชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปก็จะไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าบรรลุได้ด้วยตนเองก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่คือความแตกตา่างในเรื่องของสมมุติคือชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ตัสสาวกแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ ที่ปราศจากความโลภความกลัความหลงนี้มีเท่ากันมีเหมือนกันความเป็นพระนิพพานของจิตใจนี้ก็มีเท่ากันการไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีเหมือนกันเท่ากันไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันตสาวกกรตางดังนั้นท่านที่เคยมีความคิดว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าสูงกว่าหรือดีกว่าพระอาหารหันต ก็ขอให้คิดเสียใหม่เพราะว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้อาจจะต้องบงเพ็ญบุญบา ร, รมีไปอีกหลายสิบกับหลายสิบกันด้วยกันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายอกีกนับนับไม่ถ้วนแต่ถ้าจะเป็นพระอรหันต์เราอาจจะสามารถเป็นได้ในภพนี้ในชาตินี้เลยเพราะตอนนี้เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ เราเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เราจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่พระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดสร้างบุญบา ร, รมีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงต้องสร้างบุญบา ร, รมีด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีพระพุทธเจ้า มาทรงสั่งสอนท่านนั่นเองแต่ตอนนี้พวกเรามีบุญมีวาสนามีโอกาสที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้เราจึงอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าอ้างเหตุนั้นเหตุนี้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสําคัญกว่าการชําระใจของเราให้สะอาดโรยสุทธด ให้เราได้บรรลุพระนิพพา น, านให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถดับการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้มีแต่ธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดได้คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังได้มาปฏิบัติกันในวันนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมคำสอนหลังจากนั้นเราก็เอาไปปฏิบัติต่อได้ยินแล้วว่า เราต้องทำอะไรกันบ้างต้องรักษาศีลกันศีลก็รักษากันถ้าเป็นวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้าเป็นวันพระก็ควรที่จะรักษาศีลแปดเพราะว่าศีลนี่ก็เป็นเหมือนผงซักฟอกถ้าต้องการที่จะซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดมากๆ ก, ก็ต้องใส่ผงซักฟอกมากๆถ้าใส่ผงซักฟอกน้อยก็จะสะอาดน้อยถ้ารักษาศีลห้าก็ชาระใจ ได้สะอาดในระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้ศีล8ก็จะได้ซักฟอกใจให้สะอาดมากขึ้นกว่าศีลห้าเราจึงต้องรักษาศีล8กันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งไปก่อนแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นผลว่าการรักษาศีลแปนี้ดีกว่าศีลห้าเพราะจิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปต่อไปเราก็จะรักษาสิ้นแปดทุกๆวันหรือต่อไปเราอาจจะรักษามากกว่าสินแปก็ได้เช่นเราก็อาจจะออกบวชเป็นพระภิกษุเป็นเป็นแม่ชีปฏิบัติธรรมรักษาสินเต็มที่ตลอดเวลาอย่างบุคคลบางคนเขาก็เริ่มต้นจากการรักษาสิ้นห้าไปก่อนแล้วก็รักษาศิ้นแปดในวันพระ หลังจากนั้นก็รักษาศีลแปดทุกวันแล้วพอไม่มีภารกิจไม่มีห่วงไม่มีอะไรแล้วก็ออกบวชไปอยู่ตามวัดเพื่อปฏิบัติเพื่อรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำละใจและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันเป็นจำนวนมากแม้นะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีทั้งอุบาสิกาคือแม่ชีและพระภิกษุ และสั ม, มเณรที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่ามีความเครือบแคลงสงสัยอย่าลังเลอย่าไปเห็นว่าอะไรจะดีกว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำ ที่จะให้ความสุขอย่างถาวรกับเราได้นอกจากการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านั้นดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญกุศลในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรเท่าของแต่ละท่าน